การปฏิบัติธรรมก็ดำเนินมาด้วยตา ม, ตามลำดับด้วยความดีความงามแต่และท่านก็ภาวนาเป็นรู้จักว่าทำอะไรทำยังไงจิตจึงจะสงบทำอย่างไรจิตไม่สงบท่านทั้งหลายก็ รู้และเข้าใจแล้วให้ตั้งใจฟังธรรมต่อไปธรรมเทศนาที่จะแสดงให้ฟังนี้ก็เพื่อทำใจที่สงบอยู่แล้วให้กลาวหน้ายิ่งขึ้นให้รู้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าเราภาวนาไปไม่ใช่งูปล า, ปลา เาว่านามีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีการปฏิบัติถูกต้องดีงามตามหลักตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราเอาลมหายใจเข้าให้ใจออกมาเป็นเครื่องกาหนดบริกรรมให้จิตสงบเราก็ทำใจของเราให้สงบตามนั้น เราก็จะเห็นว่าใจของเราสงบลงไปใจมันวางลงไปจากอารมณ์ต่างๆจากความยึดความถือความสํำคันมั่นหมายตัวตนอะไรต่างๆมันวางหมดมันไม่ยึดไม่ติดมันทิ้งมันเห็นสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงมันเห็นเป็นทุกข์มันเห็นเป็นอนัตตา ถ้ามันวางลงไปแล้วมันเป็นยังไมันเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่าอันนี้ของเราอันนี้ของเรามันไม่ยึดไม่ถือมันวางลงไปหมดถ้ายังยึดยังถืออยู่ก็แสดงว่าไป ย, ยังไม่ถึงไหนถ้าไม่ม ย, ยึดไม่ถือแล้วก็แสดงว่าไปได้ดี ถ้ามีตัวมีตนมันก็มีเรามีเขา ม, มีเรามีเขามันก็มีทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแหละกับใจเรานี่นแหละทุกข์มันเกิดขึ้นมันมีตกกัางวลนไปหมดมันยุ่งเหยิงไปหมดมันสับสนไปหมด ถ้าไม่มีเราไม่มีเขามันก็สบายไม่มีตัวไม่มีตนมันก็สบายมันว่างมันวางวางความยึดความถือวางตัว ว, า ง, ว, วางตนวางความสำคัญมั่นหมายกาปฏิบัตินี่มันต้องเป็นไปตามหลัก คำสอนของคุณธเจ้าให้เห็นความจริงสมถะคือความสงบสมถะก็ต้องทำถ้ากิดไม่เป็นสมถะจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ยังไงพวกหมอพวกพยาบาลเขายิ่งอยู่กับขวาศพผ่าอะไร ต่างๆเขาก็ไม่เห็นเบื่อหน่ายอันนั้นก็ไม่ใช่เขาผิดแต่เขากิจของเขาก็เป็นสมาธิที่ธรรมดาไม่ใช่สมาธิเพื่อมรกคุนีพานเห็นศบอยู่แต่มันวางไม่ได้มันยังยึดถืออยู่ยังมีตัวมีตนอยู่ ถ้าเขาทำสมาธิให้จิตเป็นสมาธิมากโผล่มันก็เกิดขึ้นได้เพรา ะ, ะนั้นพวกหมอพวกพยาวาลจึงชอบไปปฏิบัติทำกันอ่อปฏิบัติแล้วก็เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเห็นชัดเข้าไปในใจพอเห็นชัดมันก็วางทันเอง ถ้าเห็นไม่ชัดมันก็วางไม่ได้เพราะมันยังติดอยู่คล้องอยู่อืมปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะนั้นถึงหัดสมาธิก่อนอย่างพวกเรามาปฏิบัติในสามวันแรกก็ให้หัดสมาธิอยู่อืมสองวันแรกเอาลองเอาไปทดลองดู เอาไปทดลองดูมันก็ไปไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอปล่อยให้มาทำเองก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะกิจยังกำลังไม่พอพอฝึกหัดสมาธิอยู่สามวัน วันที่สามที่สนี่โอ้มันเข้าท่าดีพอสอนปับมันก็เข้าใจปับทันทีเพราะอะไรเพราะสมาธิมันสูงขึ้นมันดีขึ้นสมาธิดีแล้วมันก็เห็นแจง้งเห็นจริงเห็นอริยสัจคือทุกข์คือสมุทยัยคือนิโรธคือมรรคชัดเจนในใจ เห็นทุกนี่แหละเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เห็นอันนี้แหละเห็นชัดในใจถ้าเห็นชัดมันก็วางได้ไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็ไม่สงบถ้าบังคับอยู่จิตก็ไม่สงบพอจิตมันสงบดีแล้วนั่น น้อมไปเพื่อพิจารณาพิจารณาตัวตนของเราเนี่แหละมันได้พิจารณาอื่นใครอะไรหรอกพิจาาตัวตนนี่แหละให้เห็นจริงในตัวในตนนี่แหละก็เกิดความสลดสังเวชใจใจก็วางคุณธรรมก็เกิดขึ้น ถ้าใจยังไม่วางคุณธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดมันก็วางไม่ได้เหมือนเราล่วงมือลงไปในโพรงไม้ไปจับอะไรอันหนึ่งจับที่คอพอดีเอาออกมาดูอ้ามันเป็นงูวางครับทันทีเลยเพราะงั้นการบรรลุธรรมนี่มันไม่อยู่นานๆนะสองวั น, ส า, วนสามวันจึงบรรลุ แคปเดียวท่นเองมันฟ้าแลบเนี่ยชั่สร้างพับหูงูแลบลิ้นแคบเดียวมันฟ้าแลบนี่ยะมันก็วางแล้วไม่ได้สองขนากิจสามขนากิดอะไรหรอกขณากิดเดียวนั่นแหละมันวางพับทันทีเลยถอนวางละเอียดกัน เป็นพรียบุคคลเน่ยโสราสกิทาคานาคาละหนันก็เป็นขึ้นมาได้ในใจนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงให้หัดสมาธิให้เป็นเสียก่อนพอหัดสมาธิเป็นแล้วชี้นำสอนบอกให้ปฏิบัติที่ปัสสนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา ใจเราก็สบายขึ้นวางขึ้นไม่ยึดไม่ถือใจเราเย็นสบายใครจะว่ายังไงใครจะทํำยังไงก็มไม่ได้ใส่ใจใส่ใจแ ต, ต่ตัวเองใส่ใจแ ต, ต่ตนเองว่าตัวของเรานี้มันติดอยู่ตรงไหนมันคล้องอยู่ตรงไหนมันเกาะเกี่ยวอยู่ตรงไหน เราก็ปวดตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างเขาออกจากกิจของเราเช่นเราตากกีวอนไว้บนหนามเล็บแมวเนี่ยหนามเล็บเกี่ยวมันเป็นพุ่มอยู่เรากีวรไปตากบนนั้นเวลาเราจะเอาเนี่ยจะเก็บมาเนี่ยดึงทีเดียวไม่ได้ต้องคอยปดทีละจุดเพราะหนามมันเกาะเกี่ยวไว้มันเยอะ ต้องปวดไปปวดไปปวดไปปวดตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างปวดออกปวดออกในสุก็ออกได้หมดจริงๆนี่แหละเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันอันดับแรกก็ปวดลูกปวดหลานออกซะก่อนออกจากความยึดถือทางใจปวดบ้านปวดเรือนอราจากใจซะก่อนปวดลูกปวดเมียปวดผัวออกจากใจซะก่อนเหลือแต่ ตัวของเราคนเดียวมันพิจารณาเห็นชัดตัวมันเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรือไม่มีสาระแกนสารบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังมค่อยปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันก็ดีขึ้นดีขึ้น กระทบอารมณ์ไหนก็ต้องวางได้วางเป็นไม่ใช่วางไม่เป็นถ้าวางไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์นะทุกข์อะไรอะทุกข์ความยึดถือเนี่ยถ้าวางไม่เป็ น, นก็ยึดถือมากเกิดเรื่องเกิดราวโทโซโมโหขัดรันฟันแทงกันอันนั้นมัน โลกกับหยาบหรอกนะยังไม่มีศีลมีธรรมคนมีศีลมีธรรมมันต้องมีเมตตากรุณามีใจเมตตาเมตตาต่อคนอื่นสัตว์อื่นอย่างเราแผ่เมตตาเวลากลางคื น, นแผ่เมตตาวังให้คนอื่นเป็นสุข เราก็มีเมตตาคอยดูตัวของเราว่าเรามีเมตตามากน้อยแค่ไหนก็มีการสอบมั้งกันแหละสอบดูว่าเมตตาของเรามีมากน้อยแค่ไหนให้คอยรู้คอยเห็นนั่นแหละให้คอย กำจัดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทางใจของเราออกไปอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคที่มันขัดข้องอยู่ก็สมมติว่าเราตายแล้วเราตายแล้วเราไม่มีอะไรเลยลมหายใจก็ไม่มีสภาวะวัดสดุสิ่งของลูกหลานบ้านเรือน เร า, เาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้สักอย่างเลยแม้แต่ตัวของเราที่นอนไรวิญญาณเนี่ยก็เอาไปไม่ได้ต้องเผาต้องฝังหรือเอาไปไ ป, ป่าชาพีดิบมันไม่มีหรอกในประเทศไทยป่าชาพีดิบเพราะไม่มีอีแรงอีกา อยู่อินเดียนอีแรงอีกามันเยอะป่าชาพีดิบมันมันไม่มีฟืนเผานะไม่รู้จะเผาตรงไหนไจะเผายัางไ่ฟืนไม่มีก็ต้องยอมทิ้งไว้ในป่าช้านั่นแหละให้แรงให้กาเป็นจี ก, กินเป็นผู้ทาความสาดให้ แรงกาก็ลงกินสองสามวันเปลี่ยงเลยประเทศไทยเรามัค่อยมีเท่าไหร่หรอกพวกแร้งพวกกาอินเดียนี่ไม่มีแต่ก่อนมันค่อยมีอยู่อแต่ไปอยู่อินเดียเนี่ยมันมีมากมันไปอยู่ที่โน่นมดเลยไปอยู่ที่อินเดียทั้งอีกาอีแก่มีหมดหละลองแก้แก้แกากา ตอนเช้ามาเนี่ยโอ้เป็นยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาเนี่ ย, นยสนั่นวันไว้เราต้องพิจารณาเราต้องแผ่เมตตาให้มากเมตตาเรามากก็เป็นอุปการะคุณคนเข้าใกล้ก็อยู่เย็นเป็นสุขใจสบาย จิตใจเราก็สบายถ้าเราแผ่เมตรตามันเอาไปไม่ได้สักอย่างหรอกอะไรก็ตามให้เราคิดอย่างนี้คนดีก็ตามคนชั่วก็ตามให้แผ่เมตรตามดไม่ ต, มมติโจนผู้ร้ายก็ยังแผ่เมตรตาให้มัน เราแผเมตตาไปกิเราของเราใจของเราก็วางวางความยึดความถือนั่นเนี่ยวางความสำคัญมั่นหมายนั่ น, นยวางตัววางตนนั่นไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนวางมดที่งมดถอนหมดไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เอา ใจของเราจึงจะหลุดพ้นไปได้ถ้าเรายังมีเอาอยู่มีอยากอยู่เรายังมีความต้องการอยู่มันก็หลุดพ้นไปไม่ได้ไปได้ถึงไหนก็เอาขอให้ภาวนากันได้สมาธิก็ไปสวรรค์ได้ได้สมาธิเนี่ยก็ไปสวรรค์ได้ มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มากได้ผลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระละหันถ้าเราได้พวกนี้ก็ถือว่าเรามีโชคมาคราวนี้ไม่ผิดหวงังสังเกตดูใจของเราสิใจเราเย็นไหมสบายไหม ถ้ามันเย็นมันสบายนั่นนะ่ะเราทำถูกแล้วถ้าใจเราไม่เย็นไม่สบายทำไม่ถูกมันยังวิตกกังวล น, นั่นนี่อยู่มันต้องเลือหมดทุกอย่างทิ้งหมดทุกอย่างในความรู้สึกไม่ใช่ความเป็นจริงคือความรู้สึกความเป็นจริงก็ยังมียึดมีถืออยู่นั่นแหละเพราะยังไม่ได้ มันยังไม่ละเอียดพอมันก็ยังมีอยู่ความเป็นจริงมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ให้ยึดถือหัดไม่ยึดไม่ถือหัดปล่อยหัดวางหัดความยึดมั่นสำคัญหมายพูดง่ายหัดละกิเลสออกจากใจ เอากิเลสออกจากใจกิเลสมันมีอยู่ในใจนะ่ยเราเอาออกจะเอาออกด้วยวิธีไหนก็นวิธีเข้าสมาธิจิตสงบพิจนาต่ตองธาตุขันธ์นั้น น, นี้ตัวตวน น, นั้นนี้ให้เห็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันเห็นชัดในใจมันก็วางได้ ถอดออกไปจากใจเราได้มันไม่ติดในอะไรสักอย่างมันก็ละได้ละเอียดมันไม่ติดในลาบในยศในสรรเสรินเยือนยออะไรต่างๆมันไม่ติดไม่แต่ความสุขความทุกข์มันก็ไม่ติดรู้อยู่ว่าทุกข์ก็มีอยู่แต่ก็ไม่ติดไม่กลัวไม่หวั่นไหว ไม่หวั่นไหวในความเป็นความตายมนว่ากินมันละเอียดแล้วถ้าเป็นถึงขั้นนี้มันละเอียดมันไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตายเลยอันนี้มันละเอียดแต่อย่างพวกเราก็ไม่ถึงนั่นก็ไม่เป็นไรให้รู้แต่ว่าตัวของเรานี่แท้จริงยืมเขาใช้ยืมเขามาทาความดีความชั่วเท่านั้นเอง ยืมร่างกายนี้จากบิดามารดายืมมาใช้ยืบไม่นานก็คืนร้อยปีก็คืนไปแล้วให้กลับคืนไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่นี่เป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาให้พิจารณาเห็นความจริง ความกินของกายอันนี้มันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงให้พิจารณาพอเราพิจารณานี่กิจเราก็จะวางลงไปปัญญามันก็เกิดมันก็ตัดกิเลสได้ละสะกายะทิฐิความมีตัวมีตนนี่ออกไปได้แล้วออกไปได้ทีเดียว มีกิจกิาความลงเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพ่าธรรมพระสงนี่มันไม่สงสัยแล้วสังขังสนังคัตฉามิพุทังสนังคัตฉามิธรรมัาางสนังคัตฉามิสังขังสนังคัตามีเรานับถือด้วยใจเลยนับซือด้วยใจ ใจเรายึดมั่นในพระลัทธนาไต่ไม่มีอะไรจะดียิ่งกว่าพระ พ, พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสลาตีพึ่งอันยอดเยี่ยมของเราเนี่ยใจเรามีเท่านี้นะ่ะเราก็ไปได้เล้ฮะจิตใจเราก็เป็นสุขเลย สบายเยือกเยน็นให้ตั้งใจตั้งใจพิจรารณาให้มันวางให้มันถอนความยึดถือความยึดมั่นสำคัญหมายให้พิจารณาดูสิเราเกิดมาเป็นยังไง เราแก่เราตายตอนนี้ตายมันยังไม่ถึงเรามันมีแต่ค่อยแก่ไปแต่ละวันละวันเราพิจารณาดูส่องกระจกดูอายุสิปีหน้าตาเราเป็นยังไงอายุยี่สิบปีเป็นยังไงอายุสามสิปีเป็นยังไงอายุสี่สิบห้าสิบเป็นยังไง หกสิบเลยหกสิบไปแล้วเป็นยังไงเก้าสิบเป็นยังไงนี่พินาเข้ามาที่ตัวเราต่อไปแล้วก็ตายรักษาไม่รักษาก็ตายป่วยก็ไม่ป่วยก็ตายมันมันมันสู้ไม่ไหวมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันก็ละวางธาตุขันนันนี้เสียแต่วางเราก็มีความหมายเพราะว่าเราภาวนาเป็น อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เป็นสวดบันถ้าเราได้อย่างนี้มันก็มีที่พึ่งอันถาวรมีที่พึ่งอันแน่นอนมีที่พึ่งอันสูงสุดที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี นัาทีมีสนลังอันอยัง่งที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธมสนังวังเพราะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะีนสัจวเชนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้โสดทิเตโหตุสปัปทาขอให้ท่านมีความสุขทุกเมื่อนสดที่มีโฮตุสปัปทาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขทุกเมื่อ เราถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงในหัวใจของเราแล้วบนันนี้ไม่ใช่มีจริงอยู่ในภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เท่านั้นมันมีในพุทธศาสตร์อยู่ในใจแล้ววันนี้ใจเราถือถึงพระพุทธเจ้าแล้วใจเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ภายในแล้วมีพระธรรมอยู่ภายในแล้ว มีพระสง์อยู่ภายในแล้วพระสงฆ์ก็มีหลายระดับพระสงฆ์ผุทุชนคือยังไม่รู้มรรคผลพระสงฆ์อริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระลาหันมันก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเราก็รู้เลยตัวของเราเองเว่าเราถึงไหนอย่างไร ได้ไม่ได้ยังไงเราก็รู้จักครูบาอาจารย์เราก็พอรู้เออองนี้สาคัญองนี้สาคัญอริยสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งอันธบวรแต่สมมติสิสงหรือว่าพระสงฆ์ที่อย่างเป็นปุติชนอยู่ก็ตั้งแกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาเราเรียนพระธรรมคำพีก็รักษาศา ส, สนาช่วยกันได้เหมือนกันถ้าไม่มีการศึกษาไม่รับไม่เรียนไม่ ปฏิบัติไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่แน่นอนแต่ว่าพระสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งอันปรเสรดฐนี่คือพระสงฆ์ตั้งแต่พระสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีอุชุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติตงญายะปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อเป็นใหญ่ ในเหนือกองกิเลตนั่นน่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราแล้วตอนนี้เราเห็นเราพุทธด้วยใจของเราแล้วพุทธมันก็สบายสบายในใจน่ะมันสบายทำโมมันก็สบาย พุทโธสบายทำโมก็สบายสบายอยู่ในใจสังโฆก็สบายสบายใน ใ, นใจนั่นแหละอคนดีก็ดีไปอกไหนดีอกไหนไม่ดีก็ปล่อยไปอืค่อยแก้ค่อยขายเอาอเอาแต่ส่วนที่ดีส่วนไม่ดีไม่ต้องสนใจอ เราก็ละไปเตีอยนิดละหน่อยใจเราก็เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นเอกเป็นดีที่สุดเพงั้นเถอะใจเราก็จะดีที่สุดใจเราจะไม่ตกตำ่ำใจเราจะสูงส่งเบิกอบานแกมใส ขี่มูลาขี่มาแห้งเราก็ยังไปสนใจอยู่ให้ความสนใจอยู่ก็เสียเวลาเสียความคิดเสียความนึกเสียความสําคัญบรหมายของเราเรามีคุตตเจ้าแล้วเรามีพระธรรมแล้วเรามีพระสงฆ์แ ล, แล้วอยู่ในใจเราไม่เอาจริงที่แล้ ทำให้พระพุทธเจ้าหมดไปจากใจเราเราไม่เอาอันไหนที่ทำให้พระถามคำสอนพระเจ้าหมดไปจากใจเราเราก็ไม่เอาอันไหนทำให้ใจเราห้อยเหวในพระสงฆ์เราก็ไม่เอาเราแต่สุปฏิปันโนพระบุตรชนก็สุปฏิปันโนได้เหมือนกัน พาลียบุคคลก็สุปฏิปโนได้เหมือนกันญาติโยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นสุปฏิปโนเหมือนกันอืมประมาทไม่ได้ทีเดียวแหละให้สังเกตดูใจของเรามันเย็นสบายไหมตั้งแต่เรามานี่หลังจากเราเข้าไป ของการแนะนำหรือตรวจการปฏิบัตินี่เราก็จะเห็นชัดว่าใจเราสบายใจเสบายมากไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนไม่เคยรู้มา ก, ก่อนหน่อยเอนนี่มันเป็นอะไรมันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทีเ่เราก็ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้ อันนี้คืออย่างนี้อันนี้คืออย่างนี้เราก็ทำตามให้ที่สุดจิตของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นพระสวระบัรเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระลรหัน ม, มันไม่หมดสมัยหรอกพระละหันยังมีอยู่ใครปฏิบัติคนนั้นลวได้ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ ให้ปฏิบัติแล้วได้เลยธรรมะของพระเจ้าไม่ได้จํากัดไว้ว่าให้คนไทยหรือคนชาวต่างประเทศให้หมดทุกคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกานุกรรมปายะอนุเข้อโลกส่งข้อโลกสงข้อโลกส่งข้อสงสารอันนี้คนเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ตามพระพุทธเจ้าส่งข้อหมด แกรัฐาพิกาเวเที่ยวไปตรงเที่ยวไปเที่ยวไปดูอะไรอ่ะไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นเฉยเที่ยวดูความจริงนี่แหละความจริงที่อยู่ในใจเราเนี่ยสังเกตดูทุกวันเที่ยวไปดูทุกวัน แต่และ ว, วันเนี้ยมันเป็นไปยังไงมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันไม่ดีให้คอยสังเกตเรื่อยๆกระทบอารมณ์อย่างนี้จใจเราเป็นยังไงก็ให้เราสังเกตไม่ใช่ให้เราโมโหให้เราสังเกตโอ้จิตเรากระทบอารมณ์แบบนี้ มีความกระเทือนวันไหวอย่างนี้นเราเราได้คะแนนหรือเสียคะแนนเราก็จะรู้เราเสียคะแนนไปเลยอืมเราก็ต้องเอาไหมพยายามละมือนั่นแหละวางไม่นั่นแหละวางไม่ได้ก็เอาไหมอีกเอาปีเป็นเดืเดอน เอาเดือนเป็นวันคือใช้ความพยายามมากในการที่จะทำละจิตใจให้บริสุทธิ์นี่ใช้ความพยายามมากใช้ความพยายามตรงไหนมันขาดข้องอยู่ก็แก้ไขตรงไหนมันดีแล้วก็ปล่อยไปตรงไหนไม่ดีกพยายามแก้ไข ท่านก็เรียกว่าสุปติปโนพ่อแก้ไขตัวเองนั่นแหละพ่อปฏิบัติให้ดีให้งามมันเแี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันแหละมันอยู่ที่ไหนล่ะพ่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยที่ว่าใจาของเราเนี่ยที่กายของเรานี่ยนี่แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนี้ ทรรมโมจะวินยโยจมะมายาเดศิตูทำใดวินยัยใดอันเราตถาคตตัดแสดงไว้แล้วทำนั้นวินัยนั้นจะเป็นครูของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามทำวินัยของพระพุทธเจ้าทำคือคำสอนพระพุทธเจ้า มันไปตามคําสอนของพุทธเจ้าไหมจิตใจของเราเนี่ยหรือมันไปตามแนวอื่นไปหมดสิ่งอื่นไปหมดปฏิบัติไปแต่ละวันละวันนี่มันไปตามทำตามวินัยของพุทธเจ้าไหมถ้ามันไม่ไปตามทำตามวินัยของพุทธเจ้าเราก็ต้องแก้ไขเพราะเวลาแก้ไขเราพอมีอยู่เรายังไม่ตายทันทีเราแก้ไขไปเรื่อยๆ ผ้าเนี่ยยิ่งแก่ถ้ายิ่งหน้าขาบหน้าไหว้เพราะอะไรเพราะท่านแก้ไขนิสัยอะไรต่างๆของท่านที่ไม่ดีไม่งามออกหมดอืกิเลสตัณหาพาค่ า, าอะไรต่างๆก็หมดจากใจท่านพอแก่พอเท่ามาอดูตรงไหนก็ดีไปหมดอืมีแต่เมตตามีแต่เห็นอกเห็นใจทุกคู่ทุกคนนั่น ยิ่งแก่ไปยิ่งหน้ากราบหน้าไหวเพราะอะไรเพราะว่าใจมันบริสุทธิ์หมดเดยเห็นไหมครูบาอาจารย์สําคัญน้ำขันทั้งหลายเนะี่ยตอนห น, น, นุ่มๆนี่ยมก็เป็นอีกอย่างหนึ่ ง, งยังไม่ละเอียดพอพอแก่พอเท่าขึ้นมามันเกิดละเอียดไปละเอียดไปมันละเอียดหมดเลยแม้แต่กระดูกในร่างกายก็กลายเป็นพระาธาตุไปเลยนี่ อ่นละมันละเอียดขึ้นไปแล้วทําอะไรมันก็น่ากราบน่าไหว้หมดน่านับถือหมดเพราะอะไรเพราะว่าเราชาระ ก, กิเลสออกจากใจหมดแล้วเนี่ยเราสรําระกิเลสจากใจหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ใจมีแต่ความเมตตามีแต่ความรักความเอ็นดูกราหนาต่อชัดโลกไม่ทอดทิ้ง มาอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ทิ้งโลกไม่ทิ้งคนในโลกเราโปรดเอาได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละคือบุญกุศลของเราถ้าเป็นพระผู้นำแสดงธรรมก็ดีปฏิบัติพระปฏิบัติธรรมก็ดีมันเป็นอย่างนั้นคอยแก้ไขพรแก้ไขไปมันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆ มันจะดีไปเรื่อยๆมันจะมีความสุขไปเรื่อยๆ เ, เราต้องหัดให้มันละเอียดกระทบอารมณ์แล้วอย่าให้วันไหวให้สบายอย่าให้วันไหวให้มันดีงามให้มันสูงส่ง ภาวนาแล้วกลับไปบ้านต้องยิ้มได้สบายมากไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วออกจากวัดไปพ้นเขตวัดเป็นเสือเป็นยักษ์ไปแล้วก็ไม่ได้ลกลับไปก็กัดกินคนเลยแบบนี้เสือออกจากกลงเอามาขังไว้เกียตวัน พอออกไปเราก็เที่ยวหากัดคนลราบ้านี่ลูกก็ขัดตาแม่ก็สามีอะไรต่างๆก็ขัดตาเมียก็ขัดตาไม่ถูกชัดไม่ถูกสายตาเราบ้างนีนน่ธรรมะที่ได้ไปก็หายหมดได้แล้วต้องรักษาต้องรักษาให้ดี แต่ละวันให้ทําสมาธิทุกวันทําทุกวันวันละสิบนาทีก็ยังดีแค่จะถวายพระพุทธเจ้าวันละสิบนาทีทําไม่ได้มันก็เกินไปเราคนเราเวลาเพลิดเพลินเวลาอย่างอื่นมีมากเวลาการงานหน้าที่มันมีมากเราสละเวลาหน้าที่ของเรา ถอยพระพุทธเจ้าสักสิบนาทีต่อวันจะทำไม่ได้เชียวหรือทำกินให้สงบสักสิบนาทีเราหาอุบายหาวิธีทำกินให้สงบสักสิบนาทีเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อพระธรรมเพื่อพระสงฆ์เราให้ได้ไหมถ้าเราให้ได้กิจของเราก็ต้องสูงส่งขึ้นไปแน่นอน ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปดีเข้าไปองอกงามขึ้นตามลำดับนั่นดะดังนั้นกลับไปแล้วอย่าให้มันหมดไปหายไปให้มันยังมีอยู่ในใจของเราธรรมะที่เรารู้เราเห็น คำสวรพระองค์ที่เรารู้เราเห็นนี่ด้วยใจของเราเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีอย่าให้มันเสื่อมอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่พาไปสู่สุข ส, สู่ความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าด้วยทั้งในพบนี้และพพหน้าถ้าเราทำจิตของเราให้สงบได้วันละสิบนาที พอใจแล้วอาตมาพอใจแล้วสําหรับผู้ที่ยังไม่ทําอะไรเลยนี่พอได้คุณธรรมแล้วก็พากันทําให้มันชำนิชํานานทำให้มันชำนิชํานาญทํน า, นาให้มันคล่อ ง, องตัวกระทบอารมณ์ปับ๊บเข้าหาลมปั๊บทันทีเลยพอกระทบอารมณ์อย่าไปปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปโกรธไปเกลียดไป โมโหโทโสอันนั้นไม่ถูกที่ถูกมันต้องเข้าหาความลมหายใจปรับทันทีเลยส่วนผู้นึกพุทโธก็เข้าหาพุทโธ ท, ทันทีเลยนึกพุดทโธพุทโธพุทโธพุทโธอืมไม่ด่าไม่ว่าแนละ้วเอาพุทโธขึ้นมาบังไว้เลยเอาลมหายใจขึ้นมาเป็นที่เกาะเกี่ยวจิตใจของเราไว้เลยอืม หายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติแล้วบัางนี่ตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกทันทีอย่าให้มันได้เสียหลักถ้ามันเสียหลักก็ภาวนาไปไม่ถึงไหนแล้วบัางนี่ที่พึ่งอันเอกอันอุดมที่เรามีมันก็ไม่เป็นที่พึ่งนละมันก็เป็นอย่างอื่นไป ขอให้ตั้งแกปฏิบัติต่อไปให้มากๆกลับไปแล้วก็หาโอกาสทำวันละสิบนาทีก็ยังดีเพื่อถวายพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออวันนี้เราถวายพระพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อสอนก็แล้วกันขอถวายสิบนาทีวันนี้แต่ถ้าวันไหนมันมีเวลาว่างมากก็เออวันนี้ถวายสามสิบนาทีถ้ามันมีมากก็ถวายสักหนึ่งชั่วโมงนั่น ใจเราจะเป็นยังไงอะใจเราก็สุขสบายมีความสุขความสบายภายในเย็นซึ้งอยู่ข้ในนั่นตายแล้วมันจะไปไหนมันก็ไปสวรรค์เพราะคนมีสุขแล้ยสุขคติภูมิมันเกิดขึ้นในใจของเราเลยทางไปมรรคคนนี้ผ่านก็เกิดขึ้นในใจของเราเลยบางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหละกลับไปก็ไม่ทําต่อ ถ้าไม่ทำต่อไม่ทำอีกไม่ฝึกปฏิบัติเฉพาะวันหนึ่งหนึ่งก็ให้มันมีบ้างไม่ไม่ทำต่อเลยไม่ทิ้งไปเลยอย่างนี้ถือว่าเราไม่รู้จักของดีไม่รู้จักความดีเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็จะเสียเวลา เ, าเปล่าอย่าให้มันเสียเวลาเปล่าอย่าให้มันสูญสิ้นไปจากใจเรา ให้เอาไปด้วยเอาไปสวรรค์ด้วยเอาไปนิพพานด้วยเอาจิตของเราเนี่ยมีธรรมะมีมรรคมีผลอยู่นี่ไปสู่สวรรค์ไปสู่ภพมโลกไปสู่นิพพานต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติให้ได้ติดต่อกันไปบางคนบางท่านฝึกหัดจนตัวใสแล้ว น, นั่นแหละจิตมันเป็นสมาธิมันมีธรรมะในใจแล้ว นี่และเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือว่าปฏิบัติตรงตามคำสอนของพุทธเจ้าทุกอย่างก็จะเป็นความสุขความเจริญของเราให้ปฏิบัติให้มันดีอย่าได้ท้อถอยอย่าหมดกำลังใจในการปฏิบัติ ต้องรักษาไว้หาโอกาสมาปฏิบัติเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไปมันก็จะละเอียดขึ้นไปอีกอนะปฏิบัติไปเขานั้นมันก็จะดีไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยนะเขาก่อนนี้เออได้เขานี่เขาต่อไปก็สูงขึ้นเข้าต่อไปก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเองเรียกว่าผู้ปฏิบัติดี ผู้ให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าทั้งธรรมทั้งวินัยเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีการปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติดีให้มันมีอยู่ในใจของเราตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอตั้งใจปฏิบัติต่อไป